นบนนอนต่อภารณาไตรยมีคนของพระพุทธปริบัระสงฆ์ซึ่งเป็นจรณะเป็นที่พึ่งของเราชีวิตมนุษย์ทุกๆชีวิตต่อให้ความเคารพมายัางลงพกมเป็นประธานขนาดนี้ต่อให้ความเคารพไปยังเพื่อนจ้ากามิกทุกๆรูปจเจริญพรมปยัง คุณเมจีอบาสกอบาสิกาเพื่อนนวีรธรรมทุกทุกต้นเราก็นั่งกำหนดความรู้สึกกันต่อวันนี้เรามารวมตัวกันเป็นวันแปรหญ่ตาม้อกำหนดก็ตกลงกันไว้ในช่วงของการจัดกิจกรรมเกม็บรมเข้ม40วัน เพื่อที่จะฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เหมือนกับแกอารมณ์รับอารมณ์นะปฏิบัติเพื่อที่จะได้นําไปแก้ไขปรับปรงุงหรือว่าเทียบเคียงการกระทําที่ผ่านมาของเรานะมันตรงกันหรือไม่การที่เราปฏิบัติทำ มันก็มนะีอารมณ์ปฏิบัตนะิการที่เราปฏิบัติงานในการทำงานกี้มีอารมณ์ปฏิบัตนะิในการที่จะปฏิบัติกายวาจาใจนะการคิดการพูดการทำนะมันก็จะมีอารมณ์ในการสั่งงานสั่งการเราตัวหลงกับตัวรู้นะ บีก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานสั่งบงีก็เป็นอารมณ์ของกนะิเลสนะเป็นอารมณ์ของตัวหลงที่สั่งเราก็รับรูนะ้เพื่อที่จะได้เลือกนะให้มันเหมาะให้มันควรนะให้เป็นประโยชนนะ์ให้เป็นเรื่องของความดีความงามสุขสวยรวยฉลาดนะเป็นเรื่องของการเห็นความจริง ตรงตามความเป็นจริงเนะจ่เราเดินจงกรมเจ่นะจเราั่งสร้างจังหวะหรือเช่นะเราทำวัดเสด็จมณ์เราเห็นตรงตามความเป็นจริงขณนะนี้ขณนะนี้การสัมผัสของรูปธรรมนามธรรมที่มันมีสติรู้อยู่แต่บางทีก็ก็เผลอนะบางทีก็กรูนะ้เราก็พยายามที่เจตนากาหนดรู้สร้างตัวรู้ให้แข็งแรงนะจากสติทาลกนะ การกร่รู้ทีวนทีก็รู้นะของหยาบๆแต่ของละเอียดมันก็ยังไม่รู้เนียบางทีก็รู้ห่างๆใจรู้ทีๆขณะต่อขณะขณะต่อขณะมันก็รู้ยากมันก็เป็นไปตามนิสัยความคุ้นชินเคยชินที่แต่ละคนแต่ละท่านก็มีกิเลสกรรมวิบากมีวาสนาที่วาสนา มีบุพกรรมมากมายเหลือเกินดีก็ทำไม่ดีก็ทำนะพอมาเข้ากรรมาฐานมันก็แสดงออกมาให้เราได้ฝึกหัดขัดเก่าได้เลือกเป็นนะเราก็จึงนี่แหละไม่เรียกว่าพยายามทำอะไรที่ชวนหลงชวนดูชวนฟังแล้วก็ สติปัญญามันมาไม่ทันนะความรู้สึกที่ฐานกายจึงต้องเป็นหลักไว้ก่อนนะนั่งเดินยืนนอนเอียบตดนะรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวนะไม่ว่าจะนั่งก็รู้สึกตั ว, วจะเดินก็รู้สึกตัวทำอะไรก็รู้สึกตัวนะตัวรู้มันก็จะชนานาญทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบนะทั้งช่วยอากาศทั้งเก็บตกนะช่วยอากาศก็คือ ลาส่สี่วันนะี้เรียกว่าสร้างนิมิตให้รอยในจิตในใจมันรับรู้แล้วลึกรู้เวนะ่ช่วงนี้มันช่วงกรรมฐ า, านเข้มนะนะอันนี้เรียกว่าช่วยโอกาสจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนวัดไหนก็ตามนะอยู่แห่งคนตะบ น, นไหนก็ตามเราก็มารวมกลุ่มกันที่นี้เสร็จนะแล้วเรากนะ็เก็บตก ออกจากช่วยอากาศมาที่นี่แล้วในรูปแบบเราเก็บตกขณะที่เราจะทำกิจวัตรประจำวันนะอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็ต้องกินต้องท่ายอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็ต้องดื่มน้ำอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ต้องหลับนอนอันนี้เราก็ถือว่ายังปฏิบัติกันอยู่ยังเป็นตัวความรู้สึกตัวอยู่จากการเคลื่อน14จังหวัดในรูปแบบออกมานอกรูปแบบ จะขยับก็ยื่นเคลื่อนไหว้ต่างๆมันก็เป็นเครื่องเลืกรู้ของตัวรู้ก็คือสติเลืกรู้ความรู้สึกตัวนั่นแหละความรู้สึกตัวไปในกายความรู้สึกตัวไปในจิตใจของเราขนณะคิดขณะนึกขณะปรงุงเป็นบุญเป็นบาปต่างๆก็คือตัวคิดทั้งหมดหลวงปู่เตียนจิตโพลเน้นยำนะ้ำให้ดูกายเคลื่อนไหวแล้วเห็นใจคิดนึก หรือว่าให้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะต่างกันนะการที่เราใหม่ๆนะเรากาหนดรูนะ้ดูมาที่กายนะใหม่ๆเลยมันเป็นอย่างนั้นดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะมันก็เริ่มที่จะเห็นจิตเห็นใจที่เราไม่ได้เจตนาคิดนะมันคิดมันนึกมันปรุง ม, มันแต่งนะแต่พอทํานานไปนานไปนะตัวดูมันปรากฏขึ้นมานะ มันเด่นขึ้นมาความเป็นปกติเด่นขึ้นมานะมันกลายเป็นเห็นกายเคลื่อนไหวหตามอัตโนมัติเราเห็นจิตใจเต็มคิดนึกปรุงแต่งเป็นอัตโนมัติเราเห็นอาการต่างๆนะที่มีอยู่ในชีวิตของเรานะเป็นอัตโนมัตนะิอันนี้คือความเป็นเองนะแต่ใหม่ๆไม่ใช่นะใหม่ๆต้องกําหนดรู้เจตนากําหนดรู้นะเจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนา กรรมดีก็ดีกรรมไม่ดีมันก็ไม่ดีนะเจตนากรรมดนะีเราก็ต้องมีสติใส่ลงไปกำหนัดรู้ลงไประเบดพื้นฐานของจิตมันเป็นคนดีมานะทำบุญมาเยอะนะความดีความงามก็จะแปรรูปออกมานะเราเริ่นเมื่อคิดคิดอะไรก็คิดดีพูดดีทำดนะีอย่างเงี้ยคือตัวคิดนะบางทีมันก็มีนะนิสยัยความคุ้นจินเก่าๆมาาเงีนะ้ยเช่นนะเสพติดนะคนติดบุหรี่มันก็คิดถึง บุหี่คนที่จนะ้ากาแฟเมื่อกี้ถึงกาแฟคนที่ติดรสชาติอะไรต่างๆเนมะื่อกิดไปตรงนั้นอันนี้ก็ไม่ผิดนะมันไม่ใช่ผิดนะแต่เป็นนิสัยที่จะต้องนะถูกรู้ถูกเห็นนะสติก็จะลึกรู้นะความรู้สึกนะในการคิดการปูนการแต่งหรือว่าอาการอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏออกมาของกายของใจแลาก็ดูเป็นเพียงแค่อาการ อาการเหล่านั้นเราจะไม่ใส่ชื่อลงไปเป็นความรักความชังโทวสาโมหาโลภะนะหรือว่าตัณหาอุปทานนะหรือว่าศีลสมาธิปัญญาต่างๆไม่มีชื่อนะเป็นเพียงแก่สภาวะธรรมนะเป็นอาการนะอันนี้ก็เรียนวันดูเป็นปรมัาถาศภาวะนะเราจะไม่ดูเป็นสมมติบัญญัติต่างๆแต่บางทีมันอาจจะมีตัวคิดนะเรียกว่าพยายามลวงระลึกหา มาเทียบเคียงเป็นคำพูดต่างๆนะอันนี้เราจะไม่นะรีบสรุปนะโดยเป็นว่าอาการนี้คิดว่าอย่างนี้นะมีชื่ออย่างนี้ไม่ใส่ชื่อลงไปนะนี่คือวิธีหลวงปู่เทียนก็คือความคิดทั้งหมดเรายกออกทั้งระบบไว้ก่อนทนะ้งเจตนาคิดและไม่ได้เจตนาคิดนะกลับมาหาความรู้สึกสิฐานกายไว้ก่อนนะตรงนี้เองจะมีความแตกต่างระหว่างนะพุทโธสัมมาหลังยุบหนอพองหนอนะ เพราะว่าขนาดที่เราบริการไปด้วยหนึ่งสามตายเยนียยเลยนะก็นั่นหมายถึงว่าเป็นตัวคิดแต่เป็นตัวเจตนาคิดวิธีการหรือวิธีปฏิบัติแนวหลวงพเทียนเนี่ยเราเจตนาคิดปับ๊บก็กลายเป็นเอาตัวคิดไปกดความคิดเป็นลักษณะของสมถกรรมฐานตัวคิดเรียกว่าจดจอ่อแล้วก็เพ่งแล้วก็ยึดเป็นลักษณะของความคิด แี่เราเข้าไปอยู่ในความคิดหนึ่งสองสามสี่ยุบหนอพองหนอ่อซ้ายขวาอย่างนีนะหรือแม้กระทั่งเนี้ยการเคลื่อนไหวสมัยก่อ น, นจะมีคําว่าตายตายตายตายตา ย, ตา ย, ตา ย, ยกปับก็ตายยกปับก็ตายอย่างเงี้ยก็คือมันตายแน่นอนมันตายแน่นอนมันไม่ใช่เราแน่นอนหรือว่ามันดับแน่นอนมันดับแน่นอนมันไม่ใช่ไห้อย่างเดียวอย่างเงี้ ก็สมมติได้คว่าตายตายตายหรือว่าบางทีก็มีไหวนิ่งไหวนิ่งไหวนิ่งกําหนดคิดตามไปด้วยอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากการที่มองปับ๊บกระทบแล้วก็เห็นหนอพอได้ยินปับ๊บสมมติเสียงไอเงี้ยได้ยินหนอหรือว่าสัมผัสอยู่อารมณอย่างเงี้ยโอสัมผัสหนอยอันนี้ก็หมายถึงว่ามันเป็นสมมติบัญญัติ การที่สัมผัสกระทบมันจบลงแล้วปรามัตฐานสภาวะแต่ว่าหนอมันตามมานะเห็นหนอสัมผัสหนอนะได้ยินหนออมันตามมามันก็บอกถึงความคิดนะมันก็จะไปกดความคิดเก่าๆที่เคยเป็นความจดจำํำนะเป็นร่องรอยนะที่เกิดความประทับใจไม่ประทับใจเอาไว้นะทุกคนจะมีรอยดนะีรอยไม่ดีประทับเอาไว้รอยบุญรอยบาป รอยได้รอยเสียอย่างเงี้ยมันเป็นรอยอยู่ในจิตใจเป็นแผลนะเสร็จแล้วพอเราเข้ากรรมฐานเคลื่อนไหวมันไม่ได้คิดเราไม่ได้เจตนาคิดนะตรงนี้แหละเราจะได้เห็นรูปรอยนะของความคิดสมมติมัญญยตดที่แสดงออกมาอย่างชัดชตรงตรงนะโดยไม่มีคำบริกรรมไปกดเอาไว้นะไปขมเอาไว้นะอย่างเงี้ยก็จะเกิดนะการเข้าใจธรรมะเห็นสภาวธรรมได้ตรงๆ เห็นการเคลื่อนไหวอย่างเงี้นะเห็นอยู่ขณะที่เคลื่อนกายมันมีอยู่มันคือทุกนะสภาวะทุกข์ที่แสดงออกมาทุกๆขณะของกายกระพริบตากระทุกหายใจกระทุกอย่างงี้ยนะจะกินจะขับถ่ายเคลื่อนไหวหันซ้ายแลกว่าเป็นทุกตลอดก็แก้ทุกของเขาตลอดเวลาจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนอย่างงี้มีการแก้ไขป้อนไขบรรเทาทุกตลอดเวลาความคิดนะ คิดแล้วโกรธคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกังวลคิดแล้วก็ไปอดีตคิดแล้วก็ไปอนาคตเนียมันก็เป็นความรู้สึกแต่ว่าถ้าเราไม่ได้หันกลับมาฝึกกรรมาฐานจะดูได้ยากมากนะหลายคนก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตทำไมเราไม่อยากโกรธก็โกรธนะไม่อยากอารมณ์เสียก็อารมณ์เสียขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเราหลงก็ไปนในการปรุงแต่งเพราะไม่รู้ว่าความคิดมันเกิดขึ้นมาไม่รู้สึกตัวเวลาคิดขณะคิดอย่างเงี้ยจิตแจขงเราเดิมแท้มันว่างอยู่เีย แต่ว่าความคิดมันเกิดขึ้นมาเป็นกฎของธรรมชาติกฎของพระไตรลักษณนะกนะ์กายก็มีอาการของกายเป็นสัจธรรมนะจิตใจก็มีอาการของจิตใจเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเช่นนั้นนะนะพอเรามีสติลึกรูนะ้ขณะที่กายเคลื่อนไหวปั๊บกำลังของสติจะไปตันความคิดนะที่มีน้ําหนักจะหยาบจะเบาตามกําลังของสติที่รู้สึกที่กายนั่นแหะนะ แล้วความคิดที่ปรากฏก็รู้สึกได้ที่กายนั่นแหล ะ, ะเพราะจิตนะมันอาศัยกายอยู่กายเหมือนถ้าเหมือนคูหาจิตก็จะเข้าเข้าออกออกเข้าๆออกๆนะเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวก็ออกไปเดี๋ยวก็มากบดานนะเดี๋ยวก็ทําหน้าที่ต่อไปนะสุกสนนะสัด า, ายแสย่ใสยอย่างเงี้ยนีนะนะนน่เป็นธรรมชาติของจิตนะที่ยังไม่ได้ฝึกนะแต่พอเราฝึกแล้วเราจะเห็นว่าจิตมันนิ่งๆ จิตก็จะเป็นลนักษณะของธรรมชาตนะิที่มันมีกรอบมีที่อยู่มีมาตรฐานนะก็คือความเป็นปกติของจิตนั่นแหละนะนะมันก็จะบอกตําแหน่งให้เราอย่างชัดเจนเมื่อก่อนเราฟูฟูแฟบแฝบบวกบวกลบลบนะกลางคืนนอนก็ฝันกลางวันก็คิดไปนะแต่เมื่อก่เรามีการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะการเคลื่อนไหวแ ต, แต่ละขณะเป็นหลักนะจิตมันก็ผู่ก็ยึดเอาไว้เหมือนกัน ที่การเคลื่อนไหวของกายจะทั้งเกิดนิสัยใหม่ขึ้นมานิสัยที่พึ่งกายเอากายเป็นวิหารธรรมกายเคลื่อนไหว ใ, หใจคิดนึกรู้เท่ารู้ทันตลอดเว ล, เวลาอย่างนี้นะหลงก็น้อยเต็มทีเราก็สังเกตได้ถึงพลังพลังภายในจิตใจของเราที่มันเคยอ่อนแอท้อแท้หมดกําลังมันก็มีแรงขึ้นมาพลังใจแรงใจตัวนี้น มันก็กลายเป็นความอบอุ่นเป็นความมั่นคงเป็นลนักษณะของชีวิตจีวานะที่มีหลักในการที่ดำเนินชีวิตนะความอบอุ่นความมั่นคงนะความรู้ถูกความรู้ผิดเสร็จแล้วก็รู้จักเลือกคนะณะต่อคณะมาท า, าหน้าที่ในการคิดในการพูดในการทำนะมันก็จะเป็นเรื่องของนะความสะดวก เป็นเรื่องของชีวิตที่มีกำไรนะเคยหายใจเคยปฏิบัติแล้วก็ไม่มีความสุขนะมีแต่ข้อสงสัยมีแต่นะความขับแค้นใจนะทีแรกเราก็ตั้งใจอยากมาปฏิบัติพอมาก็อยากกลับนะทีแรกก็ตั้งใจจะมาบวชพอมาเจอปัญหาต่างๆมากมายบาดฝันมาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน่นไม่ได้ตรงกับที่เราคิดนะความจริงคือความจริงแต่วความคิดของเรามันก็ ปร่งแต่งมาสวยหรูไงนะมันไม่ได้เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่กําลังปรากฏขนาดนี้นี่เองนะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดนะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เราวาดฝันเอาไว้ก่อนที่จะมาปฏิบัตนะิธรรมะมันกำลังเป็นอยู่ขนาดนี้ยเดี๋ยวนี้อะไรกําลังปรากฏรู้เท่ารู้ทันนะอันนี้ก็คือปัจจุบันกันนะ ที่สติระลึกรู้ปัจจุบัจนจนกระทั่งเกิดความเป็นปกตินิสัยขึ้นมานิสัยที่จะรู้เนื้อรู้ตัวนะขณะต่อคณะนะวินาทีต่อวินาทีเรียกว่าลิ้นต่อลิ้นฟันต่อฟันนะมัดต่อมัดอย่างเงี้ยนะตรงๆงนะไม่ต้องเหมือนกับว่าสักวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งเราจะได้รู้สึกตัวเข้าบ้างสักวันหนึ่งเราจะได้ไม่ทุกข์กับเขาบ้าง ชาติหน้าก็ขอให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเทินอย่างงี้นะไม่ต้องขณะนี้รู้สึกตัวขณะนี้นั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวฟังอยู่ก็รู้สึกตัวเห็นะนี่ละเก็บตกมันอย่างนี้แหละนะทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบทั้งในกิจกรรมนอกกิจกรรมในวัดนอกวัดนะทั้งชุดขาวแล้วก็นอกชุดขาวนะทั้งชุดเหลืองนอกชุดเหลืองจะชุดอะไรก็ตามความทุกข์ไม่ได้เลือกชุดความทุกข์ไม่ได้เลือกเวลา กิเมันได้เลือกนะนะมันหลงเมื่อไหร่มันก็เกิดขึ้นมาทันทีถ้ารู้นะมันเป็นเรื่องของสติปัฏฐานนะขณะที่ฝึกสติปัฏฐานสติรูร้รู้กายรู้ใจอันเะนี้ยนะมันก็เป็นของคนคนนั้นนะความไม่ทูกก็เป็นของคนที่รู้สึกตัวนะส่วนสัญชาตญาณก็คือการเผลอหลงไปตามความเคยชินอันะนะีนะ้แนะ่นอนที่สุดนะถ้าหลง ถ้าทุกต่างๆก็มีอยู่ล้ในโลกใบนี้ทุกๆเซี่ยวของวินาทีทุกๆอนนุของพื้นที่ในโลกนี้ก็มีธาตุหลงอยู่เมื่อไรเผลอปั๊บกิเลสก็ทํางานทันทีสัญชาตยานก็ทํางานทันทีมันก็คิดทันทีมันก็ปรงทันทีมันก็เกิดโทสะโมหโลภทันทีเกิดกิเลสราคะทันทีเกิดปฏิกะทันทีอย่างนี้เราก็รู้เท่ารู้ทัน เกิดมาณนะทิฏฐิหลังการระวัตการอัตตาตัวตนความหยิ่งปยองลําพองตรนงเราก็รู้เท่ารู้ทันทันทีรู้กําลังมีคุณธรรมเกิดการให้ขึ้นมาอายชั่วกลัวบาปมีเมตตากรัวนามไมตาเบียขาขึ้นมาเราก็รูท้ทันทันทะีกลับคืนสู่ความเป็นปกติได้ทันทีอย่างนั้นนะประนั้นลักษณะการสวดภาหงุงนเะมื่อสักครูนะ่อันนั้นก็เป็นลักษณะของการดําเนินของ ขุจ้าที่มีวิถนะีวิถีธรรมเนะนื่องจากการเกิดวิถีธรรมขึ้นมาก่อนนะวิถีธรรมของท่านก็คือสแสวงหามรรคธรรมเจอทั้งเจริญสติในหมวดที่เรียกว่าอาณาปานสตินั่งดูลมหายใจเข้าออกนะหรือว่าอีบทใหญ่สี่นั่งเดินเย็นนอนหรือว่าสัญญาปัปปะนะนะก็คือการเก็บตกนั่นเองสัญญาปัปปะเดินหน้าถอย ห, หลังหรือว่าเหลียวซ้ายแลขวา ทรงสังคติจีวรต่างๆนะบินทบาทหรือว่าการกินการนะเคี่ยวการเกลื่อนการขับถ่านยะการนั่งการเดินนะหรือว่าการยืนการนอนนะการพูดการนิ่งต่างๆนะเป็นอากรองรู้เท่ารู้ทันเก็บตกนะอันนี้เป็นหมวดสมัมยประพะนะที่เราก็น้อมนำเข้ามาเนะก็บอารมเข้มก็ต้องมีความต่อเนื่องแต่ตื่นอย่าหลับอย่างนี้ละนะ ระสุดท่านก็เกิดการมรรุธรรมจริงๆก็เกิดมรรควิธีขึ้นมาวิถีทางที่จะดำรงชีวิตใจชีวิตบางทีก็เจอพระเทวะทัสั่งคนให้มอมเล้าช้างอย่างนี้น่ะนาฬิกิริง์แล้วก็ปล่อยมาช้างก็วิ่งใส่พระธงอ่นีท่านก็งพระเมตตาใจพระเมตตาจนถึงนาฬกาิลิง์สลบ สยบลงแล้วก็ท้ายสึดกย่อตัวลงมาอย่างเงี้ยกลายเป็นสัตว์เชื่องนะอันนี้เราจะเปรียบเทียบก็ได้มันก็จิตใจของเราที่ดูร้ายชอบพยศอย่างเงี้ยนะเหมือนสัตว์ร้ายสัตว์ป่าบางทีก็เมาหลงเหล้าหลงไห ล, ล, ลมัวเมาหลายสิ่งหลายอย่างมันก็สยบลงเนะมื่อมีสติมีความเป็นพุทธะขึ้นมานะจิตรู้ตื่นเบิกบาน เห็นอาการเหล่านั้นนะมันก็มีเมตตาอย่างเช่นว่าเวลาปฏิบัติธรรมเราเห็นจิตของเราเนี่ยถ้าก่าเกิดกิเลสขึ้นมาบางทีเราไม่พอใจนะแล้วเราก็ไปชี้นําก็ชี้โดยการรีบสรุปว่าเขาคือความไม่ดีอย่างนี้นะ ก, ก็จะพยศทันทีนะแล้วก็ประชดทันทีนะมันก็เราไปชี้โพล่งให้เขาลอกกระโดดอย่างนี้นะมันก็เลี้ยงเด็กเหมือนกันถ้าเราเลี้ยงเด็กแป๊บเนี่ย ทำไมทํางั้นน่ะทําไมทําอย่างเนี้ยทําไมทําไมทําไมทําไมไปว่าเขาตลอดเนะ่เดี๋ยวก็ได้ประชดเอาละกันเนี่ยนถึงจะไม่ได้ทําเดี๋ยววันเนี้ยจะทําให้ดูอย่างเงี้ยเหมือนก็ลูกทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะทําไมทําไมไปคบผู้ชายทําไมไม่เรียนทําไมไม่เรียนนะเงทั้งที่เด็กบทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรกันแม่หนูก็เป็นของหนูอยู่ดีๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวท้ายสุดเขาไปชดนะอย่างเด็กรุ่นเนี้ยจะเป็นอย่างนี้พ่อแม่ก็เลย ต้องซื้อคอนโดให้อยู่บนาะงทีก็ต้องซื้อบ้านใกล้ๆโรงเรียนให้อยู่แล้วก็ปล่อยให้อยู่ธรรมศาสตร์พีพีน้องๆนะก็คือเด็กรุ่นใหม่เขาจะหลาดจริงๆแล้วนะครับหลาดเทคโนโลยีคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ตามไม่ทันภาษาพูดก็เป็นศับสแลงเป็นภาษาวัยรุ่นพ่อแม่ก็ไม่ทันนะบางทีก็พูดกลายเป็นคําธรรมดาแต่กลายเป็นคําหยาบของพ่อของแม่นะยิ่งห้ามันยิ่งยุ่งอย่างนะี้นะนะ เด็กก็เลยประยัขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราค่อยๆดูเขาเขา้าโตขึ้นมาก็ก็อ๋อเรียนรู้คนละยกคคนละสมัยคนเจเน r เรชั่นกันคนละออฟชั่นกันเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เออให้ข้อมูลเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการให้ข้อมูลข้อมูลที่เราให้ก็คือสัมผัสทุกๆขณะที่ปัจจุบันขณะเป็นการให้ข้อมูลของจิตใจว่ามันมีสิ่งนี้ได้นะ จะเลือกก็เลือกนะอย่างงี้นะแล้วจะไม่เลือกก็ตามใจนะก็นะจะเหมือนกับอ่อนโยนยืดหยุ่นะเกิดความนุ่มนวลคือแบบไม่แข็งนะตัวนี้เมื่อที่เราเดินปฏิบัติธรรมเราตั้งจิตตั้งใจเกินไปมันแข็งนะเดินไปกระทบรู้กระทบรู้กระทบรู้กระทบรู้กระทบรู้กระทบรู้หันกลับมาอีกอกระทบรู้กระทบรู้กระทบรู้กลายเป็นมึนไปเลยนะอันนี้ระนะจิตเขาแข็งนะ ถ้าเราอ่อนโยนบางทีก็ลืมตามองบ้างข้างนอกนะบางทีใบไม้มันก็ไหวไปไหวมาเขียวเขียวโยวนเข้าโยนออกโยนเข้าโยนออกบางทีก็ในถ้าบ้างบางทีก็นอกถ้าบ้างบางทีก็ภายใ น, นทีก็ภายนอกนะอายนาภายในทีอายนาตภายนอกเดี๋ยวมันจะเจอความพอดีขึ้นมานะก็คือความเป็นปกตินั่นเองนะอันนี้เราเปรียบเทียบว่า เมื่อเรายืดจุ่นไปยืดจุ่นมามันก็จะเข้าสู่นะสภาวะของปกติธรรมแต่ยอยอย่ะไปกําหนดนะเออทำอย่างสบายสบายไม่ต้องไปกําหนดแล้วออทําอย่างสบายสบายนะโอ้ตรงนี้สบายตรงนี้สะดวกนะตรงนี้โลง่งนะถ้าไปกําหนดนั้นะจิตจ้างนิมิต ท, ทันทีเลยนะนิมิตของจิตก็คือโอ้มันสบายนะเดี๋ยวเคยดูมันเดินแล้วติดความสบายกันเนี่ยมันจะ คิดหาความสบายอยู่ตะลอดเวลาเลยมันกลายเป็นว่าไม่ได้สัมผัสกับตัวสัมผัสรู้ความรู้สึกตรงๆขณะที่เราสัมผัสรู้นะียทุกครั้งกระทบรู้โดนกันแล้วก็รู้เนี่ยรู้สึกตัวเนี่นะตรงนี้แหละมันจะปรับให้เกิดความพอดีและพอดีแล้วรู้สึกตัวปกติแล้วก็รู้สึกตัวคราวนี้เราได้ตัวจริงทั้งปกติก็เป็นตัวจริงไม่ได้คิดว่าปกติแต่มันจะสัมผัสตัวปกติในขณะที่มันสัมผัสรู้ความรู้สึกที่ฐานกาย เลยได้สองต่อเลยสองเด้งเลยทูอนะินวันตัวหนึ่งคือสัมผัสรู้เป็นปัจจุบันที่ถูกต้องเป็นสัยธรรมอีกตัวคือการปรากฏภายในของจิตสภาวะผู้ดูตัวรู้ที่รู้ถูกพอดีตำแหน่งพอดีตรงนะี้ตัวนี้นะเพราะนั้นก็ให้สัมผัสอย่าคิดเอาว่าสบายไม่สบายเราปฏิบัติรมนะเดินก็เจ็บก็ปวดก็ม่วยมียุง่งนะกัดก็เจ็บอย่างเงนะี้ยนะหรือว่าบางทีเนะ มันก็โงกง่วงนะนั่นแหละคือสภาวะธรรมจริงๆนะตรงๆที่มันกําลังแสดงออกมาให้เราได้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องส่วนความคิดยกเลิกทั้งระบบเลยเกิดมาปั๊บรู้เท่า ร, ทรู้ทันรู้สึกที่คิดกลายเป็นว่าเดี๋ยวสัมผัสรู้ขณะที่มันคิดรู้สึกขณะที่คิดรู้สึกตัวจริงเลยกันเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าสติก็จะทํางานของขก็คือเห็นเป็นพระไตรลักษณ์ก็จะเห็นความจริงก็คือมันเกิดขึ้นมา เดี๋ยวมันก็หายไป เ, ยเกิดขึ้นมาบางทีเรื่องใหม่มากลายเป็นเรื่องเกา่าดับปับ๊บอ่ะเรารลงระเบันดับอ่ะเดี๋ยวเรื่องใหม่มาอีกมันสายน้ําเลยมาเท่าไหร่รู้เท่านั้นมาร้อยเรื่องมันยังไม่รู้ร้อยเรื่องไม่เป็นไรรู้ยี่ิบเรื่องห้าเรื่องอย่างตอนนี้ท้า ย, า ย, ายของการเก็บอรมเข้มแล้วก็คงจะรู้ทันกันแทบทุกเรื่องแล้วนะรู้ละเอียดละเอียดลงไปนะคิดเป็นเรื่องของกลางก็รู้สึก คิดเป็นเรื่องกินก็นรู้สึกคิดถึงเรื่องเกียรติยศสรรเสริญอำนาจก็รู้สึกไม่ว่าจะคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามทนะุนนิยมบริโภคนิยมวัตถุนิยมนะหรืออำนาจนิยมต่างๆความนิยมของคนเพื่อให้เราเหมือนกับว่าตาตัวตอนมันตอย่างเงี้ยเรารู้เท่ารู้ทันอย่างเงี้ยหรือแค่เพียงแค่ว่าการเคลื่อนการไหวตัวสะพานกาย อะไรที่เกิดในกายของเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวทั้งเราผลิตขึ้นมาการเคลื่อนมือสิบสี่ชังววาหรือความเป็นเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากระทบสัมผัสรู้สึกกับริบตาหายใจเสื้อผ้ามาก็เคลียลมมากระทบมาแรงมากระทบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็พัฒนาไปอย่างนี้ละจอท่านมันก็ว่าโอ้คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่า การมีชีวิตมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสที่จะรู้จักเรื่องการฝึกสติรู้จักหลวงปู่เตียนรู้จักหลวงพ่อคำเขียนรู้จักวิถีปฏิบัติวิถีเดินทางจงตั้งเดินทางมาสู่การปฏิบัติใช้รูปแบบปฏิบัติจงตั้งมันจเจริญขึ้นมา เ, เห็นกายเห็นกายเห็นจิตเห็นใจเห็นใจทิมเป็นสภาวะเดิมๆที่มีท่ารู้ท่าว่างท่าสี่ก็มี ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมในเรื่องของร่างกายส่วนจิตใจธาตรู้ธาตว่างธาตหลงธาตไม่ว่างเห็นหมดจน่าเหมือนก็ว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกตัวทั้งหมดทั้งสิ่งก็คือความรู้สึกตัวจนทั้งเกิดปกติสุขจิตใจของเราไม่เคยได้รับผลแบบนี้มาก่อนเคยมนะีวัตถุหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามแต่ต่อไปนี้เราก็เออ เหมือนกับจอ ม, จอมยุทธท่องโลกก็ว่าไดนะ้ก็คืออยู่คนเดียวตายคนเดียวนะรู้สึกว่าเออใจ ช, ชีวิตนั่งเดินยืนนอนนะมันไม่มีพาละมันไม่เป็นพาละนะแลราไม่ผ่านตัวเองเนะมื่อก่อนเคยตำหนิตัวเองเคยว่าตัวเองนะแล้วก็ผ่านคนอื่นเคยติคนอื่นเคยว่าคนอื่นแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องของนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านขึ้นมานะตรงนี้แหละมันก็เกิดสนิสุขสนิภาพไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะ สัตวาราสิ่งต้นไม้ใบหญ้าเราก็ได้ประโยชน์นได้ตัวชีวิตขึ้นมาเหมือนก็เป็นชีวิตใหม่ชีวิตพรมจันทร์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นชีวิตที่มันไม่ใช่พรมจันทร์มันไม่สะอาดไม่ไม่ได้บริสุทธิ์มันเป็นตัวหลงใช้ตัวหลงเกิดกิเลสตลอดเวลาเวลาแต่ตอนนี้กิเลสเป็นเหตุทําให้เรารู้สึกตัวมาเกิดขึ้นมาครั้งใดก็ตามเราก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ความทุกข์ทำให้เกิดนะปัญญาขึ้นมาปัญหาทําให้เกิดบารมีขึ้นมามันไม่มีบารมีก็ไม่เกิดเราจึงนี่แหละเหมือนกันทุกคนนะเราได้มีโอกาสมาธรรมัดสวดอนกันเช้านี้นะฟังเทศฟังธรรมกันก็ขอให้นะความดีของเราทั้งหลายนั้นหรือว่าการที่เรามารวมกันประพฤติปรมัจจ์มีความรู้เนื้อรู้ตัวก็ขอใหนะ้ความรู้สึกตัวนะพาเราเดินสู่ที่สู่ทาง ไปสู่ความพ้นทุกข์เหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายชาตนี้ขอให้เป็นชาติสุดท้ายของพวกเราทุกคนโดยทั่วนากันทุกตันทุกคนันเทิง